เวทนาเหล่านี้ตามที่เราจะไปเห็นสามัญเยลักษณะของเวทนาได้นั้นเนะ่ะมันต้องรู้เหตุปัจจัยของเวทนาก่อนคนทุกวันเนี่เคยเคยไข่ควรตามขั้นตอนของพระเจ้าไหมบางทีก็มาปลอบใจกันเอาเวทนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปเลยนะตาก็พูดโดยสามัญกันอย่างนั้นนะเขาเป็นสามัญโวหารนะเป็นโยหารเป็นคพูดที่เป็นสามัญก็คุยกันธรรมดาเหมือนจะรู้เหมือนจะเห็นเนละแต่มันเหมือนไงไม่เห็นหรอก เพราะมันไม่ได้เข้าใจเรื่องลึกซึ้งจริงๆเวทนาเป็นธรรมที่เกิดจากปัจจัยเพราะเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยใช่ไหมเวทนามีภาษาเป็นปัจจัยนั่นคือปัจจัยได้เชิดใช่ไหมแต่เวทนาเนี่ยมีปัจจัยที่เป็นอดีตก็คือกรรมมีอวิชชาตัญหากรรมเน่ยที่เป็นอกุศลแต่ทุกเวทนาทุกสุกเวทนาที่เป็นกุศลนี่เป็นต้นนะถ้าอุเบกขาเวทนาก็ต้องดูอุเบกขาเวทนาในไหนเป็นต้นก็คอยไล่เรียงกันดู เป็นมา เ, เป็นผลของทุกข์ก็ได้เป็นผลเออเป็นผลของกุศลก็ได้อาคุณก็ได้อย่างเงี้ยอย่างนี้แปลว่าเขาเข้าใจเหตุทั้งเหตุไกลเหตุใกล้เราไม่รู้แม้รมรกระทั่งเหตุใกล้ไม่รู้กระทั่งเหตุไกลจบเลยบอกเวทนาไม่เที่ยงออดีใจก็ไม่เที่ยงหรอกเสียใจก็ไม่เที่ยงหรอกพูดกันทุกคนแต่ไม่ได้เห็นจริงหรอกเพราะไม่ได้เข้าใจปัจจัยนะปัจจัยของเวทนา คนที่เขาจะเข้าใจเนี่ยแปลว่าเขาเชื่อมโยงปัจจัยเหล่านี้ได้เหมือนสมมติว่าอาตมาเนี่ยโยมอาจารย์สุรีมาใช่ไหมถ้ยมายอมจานสุรีพูดให้อาตมาพูดสิ่งที่ไม่เหมาะให้อาตมาทุกข์ใจถ้าอาตมาบอกว่าโอโ้พ่อยมอมยานสุรีทําให้อาตมาทุกข์ใจเนี่ยอาตมาเข้าใจสังสารวัตรผิดพิดถนัดเลย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 เมื่อรู้อย่างนี้แล้วไม่ใช่ยอมยนัยนเสรียงงั้นยอมจะด่าท่านทุกวันเนยะเพราะเพราะมันเป็นบาปของท่านเองอะ่ะ<ม>เข้าใจใช่ไหมถ้ามันเจอคนคิดมุมนี้ขึ้นมามเคยเห็นไหมว่าไอ้มุมอย่างเนี้ยมันก็ไม่ถูกว่าท่านผู้นั้นที่กำลังทํากรรมเนี่ยมันทําไม่ถูกใช่ไหมทําไม่ถูกถ้าเขาเข้าใจคําว่าสังสารวัฏเขาจะไม่พูดคํานี้ไงเขาจะไม่พูดคํานี้นี่เขาไม่เข้าใจ ดังนี้เขาเรียกว่ามันคิดมุมลเลยเคยเป็นไหมอย่างเงี้ยนะเราไม่รู้จะออกอยังไงที่เราไปทําให้เขาทุกข์ใจซะแล้วเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เป็นกรรมของคุณเองอะพาะคุณทําไม่ดีเขาหมาใช่ไหมอนุาก็เคยพูดในคําแบบเนี้ยแต่ก่อนก็เข้าใจแบบนี้จริงๆเลยนะเพราะเราเป็นหลุดคําที่ไม่เหมาะสมออกไปซะแล้วใช่ไหมเราก็เลยพูดว่าเอเป็นกรรมคุณเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดคำนั้นเรามันออกมาจริงใช่ไหม มันไม่ต้องอไรกันเน้นเคลือมาก็ไปพูดถึงอสัตว์ในในฉานใช่ไหมอันมาพูดตามตามในคําสอนอันมาเรียกเฮี้ยแต่เน้นบอกโอ้โหคำนี้ไม่ไม่เหมาะเลยไปว่าไงต้องเรียกตัวเงินตัวทองไม่เรียกคนละมุมคือในในภาษาของคําสอนเนี่ยตัวเฮี้ยนี่เป็นเรื่องปกติแต่คนปัจจุบันนี้เอาคำว่าเฮี้ยเนี่ยมาพูดเสียเลยใช่ไหม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 คำพูดบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องดูสังคมว่ามันเยอะเออต้องดูเหมือนกันว่าอคําแบบนี้บางทีเขามันไม่เหมาะกับเขาเนี้ยทั้งๆที่เขาเป็นเด็กเนี่ยใช่ไหมแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเออคาคํานี้มันสะเทือนหนึ่งนี่เป็นต้นอันนี้นี่ยกตัวอย่างเพียงเรื่องเล็กๆเนี่ยเนี่แต่ถ้าเราบอกว่าเปล่กล่าวมันเองมันก็จบเนีตรงนั้นเนี่ยแต่มันมันในใจลึกๆเราอถ้าเรามีเจตนาบริสุทธิ์จริงไหมก็มาพิจารณาไข้ควรอ๋อมันมีส่วนหนึ่งใช่ไหม มันมีส่วนหนึ่งบางทีในความรู้สึกลึกๆนี่ยแล้วต้องการจะเตือนเขาแรงๆก็เลยใช้คํานี้ออกไปคําพูดถูกแต่เจตนามันผิดก็มีอย่างนี้เป็นต้นก็บางครั้งพูดกุศลเนี่ยจะเดินด้วยอกุศลก็ได้ใช่ไหมไม่แต่มาบรรย迦ธรรมเนี่ยถามว่าเป็นบุญทุขณะจิตได้ไหมบางครั้งก็เป็นบาปเมื่อเราฟังธรรมเนี่ยเชื่อไหมว่าจะเลี้ยงใจให้เป็นกุศลได้ตลอดทําไมไม่ได้อ่ะเพราะ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 ว่าการขณะที่กลาลังฟังพระธรรมเทศนาอยู่เนี่ยว่าบางทีใจของเราเนี่ยบางทีมันไม่ศรัทธาแล้วเคยเป็นไหมล่ะเราก็ตั้งไม่ถูกตั้งเจตนาไม่เป็นเคยเป็นไหมทั้งๆที่ควรจะตั้งศรัทธาแนบแน่นในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยแต่เราบอกว่าถ้าท่านผู้นี้กล่าวทำ น, นั้นๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันนึกว่ากระทบบุคคลเลยกลายเป็นกระทบทรัพกระทบทรัพย์กลายเป็นกระทบพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องไปดูในชั้นของอาจารย์ถาและดีการที่ท่านขยายไว้เราจะเห็นว่า โอ้ยต่อไปเนี่ยถ้าในโรงที่เขา ก, กาลังแสดงธรรมกันเนี่ยเราควรวางท่าทียังไงมันก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะเนี่ยนะเออเพราะเราต้องการอะไรล่ะเราต้องการเจริญกุศลแต่ถ้าใจของเรามันไม่เป็นบุญแล้วทําไงก็ต้องพยายามดูแลจิตให้เป็นใช่ไหมตั้งมั่นกุศลจิตให้เป็นตั้งวิธีคิดให้ถูกถ้าเราเกิดตั้งจิตไม่เป็นกุศลขึ้นมาเบ็ดเสร็จเนี่ยแปลว่าอะไรเป็นอันตรายยิก่กระทาพิบอันตรายยิก่กระทานั้นทําที่เป็นอันตรายต่อพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเนี่ย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 ไม่เป็นไปตามกติกาที่พระพุทธเจ้าวางไว้เสีแล้วใช่ไหมวางวิธีคิดผิดแหละไอ้ตรงนี้ก็ก็ต้องค อ, คอยช่วยกันดูประการต่อมาตรงนี้ก็คือว่าให้ทราบว่าปฏิสนธิเนี่ยใครเป็นวิญญาณอาหารนําปฏิสนธิขึ้นนาในขนาดไหนนําในขนาดปฏิสนธิขันนั้นเป็นอารมณ์ของอุปาทานชี้อุปาทานาขนันใช่ไหมประกะตรงนี้ท่านต้อ ง, ตงการจะพูดถึงบอกว่าหนึ่งสัตว์ทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารนั้นโลกคือมีหนึ่งสังสารวัตนับเป็นหนึ่งอย่างนี้นะสอง โลกนับว่าสองหรือสังสารวัตนับว่าเป็นสองนับเป็นนามและเป็นรูปเห็นไหมสามนับเป็นสามได้เวทนาสามสี่นับเป็นอาหารได้หารสี่คือกาวลิงกะาอาหารภาษาอาหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณอาหารต่อไปคือห้านับยังไงนับโดยย่ออุปาทานขันห้าอันเดียวกันหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยมันนับห้าคือขันห้าแล้วพอนับห้าคืออุปาทานขันห้าถามว่านับเป็นอุปาทานขันห้านะนับยังไง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 ที่แทก็คือการเกิดของอาหารของนามรูปของเวทนะของอาหารสี่ของอุปาทานถามว่าเรียกอุปาทานขันเพราะ <this> เพราะอะไรขันของใครเรียกว่าอุปาทานาาขันขันของใครไม่เรียกว่าอุปาทานาาขันขันของพระละขันมีอุปาท า, านไหมมีการอุปาทานไหมมีที่ถูปาทานไหมมีสีลิศพระถูปาทานมีอัตวาถุปาทานไหมแสดงว่าท่านละอุปาทานท่านเป็นขีนาศกขีณาบวกอาสวะใช่ไหมแปลว่าพ้นพ้นจากอาสวะ ทานของท่านน่ยจึงไม่มีอุปาทานเนาะประการต่อมาเนี่ยโลกหรือสังสารวัฏอีกอย่างก็เรียกอายตนาหกมีจากอายตนะต้นมีมนาอายตนาเป็นที่สุดอันนี้เป็นอันนี้ชัดก็คือว่าจากขาเยตนาโสตตาคานาชิวหากายามนาหกนี่นะออกได้ไหมออกได้ไหมตอนนี้ออกจากสังสารวัฏ ต, ตัวนี้ได้ไหมวิ่งไปที่ไหนหย อ, อกให้ได้คุกไหมนี่เป็นคุกไห ม, เ ป, ไหมเป็นคุกชัดๆเลยไหมเป็นตัวคุกเลยนะเป็นตัวคุกแล้ ว, ลวเราออกอย่างนั้นไม่ได้พลุงพลังอยู่นี่แหละท่านทั้งหลายว ท่านเดินออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้แล้วเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นสังสารวาัตเป็นคุกของท่านแล้วที่มันเป็นเป็นคุกแล้วท่านไม่ค like, ิดว่าเป็นคุกอย่างที่ว่าเมาื่อวานเนี่ยท่านไม่คิดว่าเป็นทุกอีกกลุ่มหนึ่งคิดว่าเป็นคุกแต่ยินดีในคุกเสียแล้วใช่ ia, ไหมจึงเป็นวัตคามินีกับวิ I, บวัตคามินีกลุ่มวัตคามินีนั้นพวกยินดีในคุกยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจกลุ่มวิวัตคามินีนั้นเป็นกลุ่มที่พยายามกระเสือกสนดิ้นรนในการที่จะออกจาก ตาหูจมุกเล่นกายใจออกจากคุกเราเป็นกลุ่มไหนอากลุ่มไหนโทษได้เต็มปากไหมเป็นกลุ่มประกาศตนจะเป็นอิสระจากคุกใช่ไหมไปเขียนติดหน้าบ้านก็ว่าคือแต่ก่อนนี่ะมาไปปฏิบัติน่ยมาไปคิดยุนั่งหืมถ้นจะพลุงพงงลังยิงเนาะจะเดินไปตรงไหนเนี่ยจะออกจากมันได้เนี่ย แล้วมันออกจากมันไม่ได้เนี่ยนักเข้านะักเข้ามาใหม่ๆก็คิดด้วยปัญญาแล้วก็คิดโต้ตาเกิดอยากจะทําลายแท้เข้าใจไหมแต่ก็ทําลายไม่ได้เห็นอยู่รู้อยู่มันยังไม่พอ่ตปัจจัยยังไม่ถึงอ่ะบอกโอ้พระเจ้ามีอะไรนะมีพระปัญญาคุณกับพระมหากรุณาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยนะพระองค์ก็เห็นแะไรมีความกรุณาต่อสัตว์ก็ต้องทนอยู่ในคุกต้องทนอยู่ในคุกคือสังสารวัตรนี่พระมหากรุณา มีพระปัญญาคุณก็เบื่อหน่ายคุกเบือหน่ายสังสารวัตอย่างรุนแรงใครถ้าอยู่ในสถานะอย่างพระองค์จะทํำยังไงเนี่ยถ้าออกก็ออกได้แต่ว่ากรุณาก็เตือนแรงเนี่ยถ้าเราเห็นใจพระพุทธเจ้าตรงนี้นะเราจะรู้เราจะได้ซึ้งคุณท่านน่ะว่าคุณของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่สักบานใดไอ้ที่เราทําทําทํากันเนี่ยที่ว่าตอบแทนคุณเน่ยมันน้อยมากใช่ไหมแค่จะพากหอม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 เพราะเขาเห็นพระกรุณาที่คุณกับพระบัญดาคุณงูเบือยาวนี่ไม่เห็นนั่นไม่เห็นโทษกันทั้งคู่เลยนะั<笑><笑>้นจริงไหมไม่เห็นทั้งคู่เลยอ่ะใช่ไหมจริงไหมอันนี้พึกพูดยกตัวอย่างให้ดูเพราะว่าถ้าเห็นคุณงูเบือยาวเนี่ ย, ยากรร า, า, ายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอกายวันนาวิจิวันนามโนวันนาต้องชัดโดยรร oh, เฉพาะมโนวันธนาเนาะทุกอย่างเป็นไปเพื่อการนอบน้อมเบือยาว ใช่ไหมอย่างยมยันต์รีบอกว่าต้องการจะเขียนหนังสือถวายพุทธบูชาใช่ไหมจิตที่คิดจะบูชาต้องให้มากกว่านี้ให้มากขกึ้นมากอยู่แล้วเพิ่มไปเรื่อยๆทําไมต้องเพิ่มเพิ่มสัตทินสเมื่อศรัทธาเพิ่มวิริยะสติสมาธิปัญญาจะตามจะตามให้สัตทินสีในตาาถาคตผู้ิี่ราเพิ่มกว่านี้นอือถามว่าสัตทินสีจะเพิ่มได้ด้วยอาการอย่างไรยังไงการฟังการอ่านการไข้ครวญ ให้ต่อเนื่องฝึกหัดอยู่คนเดียวให้เป็นแล้วฟังธรรมแบบนอบนอบ้อมฟังธรรมตั้งใจฟังเอาพระรูปของพระพุทธเจ้ามาตั้งตรงหน้าเลยเนี่ยอนามาวิธีเบื้องตอน้นคนอื่นจะฝึกยังไงก็ฝึกไปนะแต่อนามาใช้บางทีเนี่ยลงมาถ้ยอย่เงียาๆข้างล่างนี่นะล็อกหมดแล้วใช่ไหมอนามาก็เปิดธรรมะ แล้วก็เอาเขาอีกหน้ามองโพธจา้าแล้วก็ป น, นมื อ, อใครมาเห็นอรุมานี่ mm hmm. ใช่ไหมอรมาป น, นมือนะแล้วก็าตัดไปตามมาทาบัพสอนทำทุกอย่างเท่าที่อรุมาจะเรียกสัทธาได้มัก็ทำาันมาณนี้ดูสิทำไมอรุมาต้องมาฟังฟังขนาดนะั้น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 มันตัวสองสองหลักได้ตัวศรัทธาเพราะตรงกลางก็จะตามมายอยู่แล้วอย่าเพิ่งไปจัดสรรตอนนี้ว่าศรัทธามากปัญญาน้ตวิทยามากอย่าเพิ่งไปจัดเพราะมันยังไม่ขึ้นสักตัวเลยอะ่ะเข้าใจยังมันยังไม่ขึ้นสักตัวเลยเนะี่ยที่ไม่รู้ตัวกันอยู่แล้วก็เที่ยวมาเที่ยวจัดว่าศรัทธามากวิิยามากสมาธิมากสติให้มีกำลังอะไรอยู่เนี่ยมันอ่อนทุกตัวแล้วยบเยยบหมดแล้ว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 ก็ท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ฟังด้วยความน้อมน้อมยิ่และนั่นแหละไม่ใช่ฟังเพราะเราเคารพท่านผู้นั้นแต่เราฟังเพราะเรารเคารพพระพุทธเจ้าเราต้องการเอาเราเนี่ยให้เข้าถึงให้เชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าให้ได้ใช่ไหมถ้าวันนี้เรายังเชื่อมกับถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้วยบัติแน่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 ไม่รับการแนะนําของภริยะปฏิบัติผิดไม่ไม่ปฏิบัติชอบไกลแสนไกลเลยไงใช่ไหมงั้นเราก็เราก็เสียอีกแหะถึงบอกว่าโอกาสที่พูดเมื่อช้าเนี่ยโอกาสมันไม่มีแล้วเมื่อเมื่อช้าที่พูดเนี่ยมันจะหมดโอกาสกันอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมงั้นก็ดึงดึงสถานภาพกลับมาซะ เพราะโอกาสนี้มันไม่มีอีกแล้วชาติต่อไปอยา่าอย่าหมายอย่าหมายถ้าชาตินี้ไม่ได้แล้วชาติต่อไปอย่าหมายนั้นเอาเอาชาตินี้ให้ได้ก่อนจับหลักให้ได้ก่อนได้สไตล์ามา ก, ก่อนได้วิริยะสติสมาธิปัญญาในพระพุทธเจ้าให้มากอะไรที่จะไปเกื้อกูล ทานเกืือกูนเอาทานศีลเกืือกูเอาศีลเนคขมา้าเกืือกูนเอาเนคขม้าเนาะผูกรัดเขว่าปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานนะเมตตาวิครับระดมผูกบา ร, รมีเหล่านี้ไว้ในตนแล้วเดินไปเหอะเดินไปมันจะฝ่าฟันอะไรได้หมดใช่ไหมถ้าต้องการจะเป็นโพธิญาณที่สูงสูงก็งผูกสัตว์ด้วยอย่าผูกเฉพาะบา ร, รมี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 อ่านตำราเองมันก็จะไม่เข้าใจจะทาไงเล่ามันยังไม่มีอยู่แล้วตอนเนี้เพราะตําราไปนั่งอ่านกันซิใช่ไหมมันมีใครสกักขีคนอ่านตําราแล้วเข้าใจอัธถะที่มันชัดเจนเนี่ยถ้าจะอ่านแบบเล่นลิ้นตีวิปากเล่นไปวันวั น, วนมันก็ไม่ยากหรอกแต่อ่านแล้วเจออาะอัธถามันเข้าใจในเราท่านทั้งหลายก็ไปอ่านไปศึกษาไปใข้คนนี่แล้วจะรู้ว่ายากแสนเขน็ญ อมีคนก็พูดกันนะไอ้เข็นโคกขึ้นเขาเนี่ยมันง่ายกว่าการศึกษาพระธรรมอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเอาคคกเนี่ยล้วบอกว่าเอาภูเขาอ่ะยัดใส่โคกมันยังง่ายกว่าการศึกษาพระธรรมของพระเจ้าอ่ะโอ้พูดกันเลยเามาพูดแล้วอยากจะนั่งไงท้องลง มันว่าโอ้โหขนาดนั้นเขอบอกว่าคือยิ่งจะพูดให้คนเข้าใจด้วยเนี่ยจะพูดยังไงนในยุคนี้ยเราท่านทั้งหลายใช่ไหมเหมือนเราพยายามกันทุกวิธีทางที่จะเขียนจะพูดใจแรงๆเนี่ยที่เราจะเขียนให้คนสะดุ้งสะเทือนเนี่ยจะเขียนยังไงใช่ไหมขนาดพูดพูดไปในยอมยังโซเลวแทบท้อเลยใช่มคือรู้ว่าไม่ง่ายแต่ทําเถอะอะไรก็ได้ที่เป็นชิ้นออกมาแล้วเป็นไปตามพระธรรมคําสอนนะเพื่อจะได้เกื้อกูลแล้วเป็นเราเราได้สร้างบรารมี เราทำเนะี่ยเราผูกบารามีไว้ในตนแล้วแนละ้ว เ, เป็นประโยชน์สักคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยเรามานั่งท่อหลายอย่างแนละ้วได้ข้อคิดจากโยมหลายคนนะโยมเ็าบอกว่าแกบอกว่าเนี่ยทำทุ่มทาไปทั้งหมดเนี่ยได้คนเดียวโยมก็พอใจแค่คนเดียวแค่นนะั้นแหละว่างนะั้นเราบอกอโยมก็ยิดอย่างนั้นได้ เอาไอ้เราตังขานเน่าๆนี่ตั้งขานมันจะพังอยู่แล้วลุวลลกขึ้นมาทํากับเขาบ้างมันได้ข้อคิดก็เลยลุกขึ้นมาบอกคําสอนอย่างเห็นไหมบางทีเนี่ยเราไม่รู้ความพระธรรมเนี่ยไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายไม่ใช่ไหมไม่มีหรอกเพราะเป็นนั่งกันอยู่นี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือกระแสของขันคาติยตนะกระแสของวัตตะมันหมุนไปฉะนั้นถ้าหากว่าวัตตะอันนั้นนะ ตัวขันธาตุอายตนะนั้นจะรู้ว่าธรรมแล้วเปล่งพระธรรมออกมาเนี่ยเป็นสรัทธาลมออกมานีเนี่ ย, ยพรอเข้าสูตรตประสาทใครได้เนี่ยเปล่งมาเถอะจะเป็นเด็กเล็กๆก็เปล่งมาเถอะเป็นขันยาณมิตรได้ใช่ไหมแต่เรารอแล้วรอเล่าเนี่ยเราจะหาคําพูดที่เปล่งออกมาจากขันธาตุอายตนะอันเนี้ยพรอเป็นไปกับพระธรรมคําสอนเนี่ยนานๆกว่าจะได้ประสบพบเนี่ยนี่ทําไงใช่ไหม แล้วปัญญาของเรามันแยกยากไงอย่างที่บอกระหว่างผิดกับถูกเนี่ยระดับที่เรามีพื้นฐานแค่นี้ยังไม่ยอมมันมันแยกยากนั้นตรงนี้ก็คือให้เข้าใจในเรื่องของเขาว่าอายตนะที่เราออกจากคคืออายตนะไม่ได้ออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เพราะตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัววัตตะมองเห็นนะเป็นตัววตตะก็ถือไม่พ้นจากขันไม่พ้นจากธาตุไม่พ้นจานกอายตนะ ประการต่อไปก็คือสัตวาสสตวาสสตวาส์สัตววาตมีเจ็ดเนาะโอสัตววาต์เออไม่ได้ไปดูในหลักของถ้าต้องการจับรายละเอียดนี่นั่นหน่อยก็ไปดูในดีกาของพระพิธรรมเขาเรียกว่าในปริเจตีห้าใช่ไหมในชั้นของดีกาตรงนี้อรหนมาก็จะเอาเท่าที่จําได้นนะขยายไปนี่ยนะในสัตววาต์สัตวาสสตวาสสตนั้นเจดที่ท่านเรียกว่าวิญญาณทิติ เพราะเป็นที่ตั้งของวิญญาณใช่ไหมสัตตว่าเก้าใช่ไหมก็ ค, คือว่าสัตววาเก้าเนี่ยพอมันอันเดียวกันกันกบวิญญาณนิทิจิเนี่ยใช่ไหมคือถ้าว่าโดยสัตตว่าเก้าก็เพิ่มไปอีกสองเป็นเก้าแต่สัตว์ว่าเนี่ยแหละเป็นที่ตั้งของวิญญาณก็เลยเรียกว่าวิญญาณนิทิจิเนี่ยต้องการอธิบายตรงนี้ เป็นที่ตังง้งของวิญญาณเจดเหล่านี้ก็เรียกว่าวิญญาณสทิติเ็หรือเรียกว่าสตาวาสเจ็ดก็ได้นะอันเดียวกันถ้าเพิ่มไปอีกก็เป็นเก้าเป็นสตาวาเกที่อยู่ของสัตว์ที่มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันในะะประเภทแรกเนาะกายต่างสัญญาต่างประเภทที่สองที่อยู่ของสัตว์ที่มีกายต่างแต่มีสัญญาเหมือนกันหรือยอย่างเดียวกันเนาะเดี๋ยวสัญญานี่เปชื่อของอะไรเป็นชื่อของนมามธรรมนะคําว่าสัญญาเนี่ย เป็นชื่อขงนมามธรรมจําไว้ทั้งหมดสามที่อยู่ของสัตว์ที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันสี่ที่อยู่ของสัตว์ที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันนะและต่อไปก็นับอะไรอารูปเลยอารูปอีกสามอาตาสานัญจาญาตนาวิญญาณัญญายาตนาอากินญาญายาตนาเลยเรียกว่าวิญญาณทีฏฐิเจ็ดหรือเรียกว่าสัตว์ว่าเจริญนี่นะ ทีนี้เบื้องต่ําในสตาในวัญญาณทนะีตีเจ็เนี่ยสตาว่าชื่อว่านานาตากายะมีกายต่างนานาตากาโยเอตังเอเตสังเนะี่ยแปลว่ากายของสัตว์นี้ต่างกันนาณานาณานาณาโตกาโยเอเตสังเนี่ยนะกายต่างกันของสัตว์เหล่านั้นชื่อว่านานาต์สัญโนนานาต์สัญญา เอเตสังอัตถิเขาบอกว่าสัญญาต่างกันของสัตว์เหล่านี้มีอยู่ท่านบอกว่ามนุษย์ทั้งหมดเทวดาชั้นกามาวจรหกชั้นแล้ววินิปาติเปตบางจำพวกเรียกว่ามีมีกายต่างแล้วก็มีสัญญาต่างนะมีอยู่หกชั้นนะถ้ า, าในเทวภูมิหกแล้วพวกวินิบาอีอพวกวินิปาติกะพวกบางเหล่านี่นะ นี่กายต่างสัญญาต่างมนุษย์อนหาประมาณไม่ได้ในะจักรวาลหาประมาณไม่ได้เลยทนะีนี้อ๋อจักรวาลนี้นับได้ไม่มีเท่าไหร่มนุษย์นับได้นะ ม, ม, มีกี่มีกี่จักรวาลมนุษย์มีเป็นแสนโกจักรวาลเนนะี่ย